คณะคณะที่มาด้วยกันนี้มาจากที่ไหนที่มาด้วยกันนี้มาจากที่ไหนบริษัท TIPS นะแปลว่าอะไรบริษัทก็ชื่อบริษัทนะอยู่ต่างกังหวัดใช่ไบริษัททิพย์อะท อ, อ, อะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับการขนส่งเรือ่องเร่อง <c oughs> คอนเท เป็นผู้ราบจากเรือไปส่งเอกทือบริการร้ขึ้นลงจากเรือท่านั่นเองข้นลงไปส่งเลยะเอาเอาเอาสายรถเอกทีหนึ่งใช่ค่ะแล้วรถเขาก็เอาไปส่งตามที่ต่างๆเราไม่ได้เกี่ยวกับรถใช่ไหมรถเพียาแต่ทายออกจากเรือทางทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ย ก็ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจกนะองักรนะเพราะคนโน้นคนคงจะยกยไม่ไหวคนคงจะใช้เป็นผู้บริหารมาทั้งหมดกันกี่คนนะสิบห้าคนแต่เรได้ไแน่นอนสิบห้าตั้งใจจะมาทำอะไรกัน หลวงพ่อประยอ่อนเขาเคยพูดนะว่าเวลาพระเทพหาว่าพระดาเวลามียด่าก็หาว่าเมีเทศพฟังเทพก็อย่าถือสากันนะเพราะว่าบังแล้วที่ท่านดา่าท่านด่ากิเลสเราด่าความโลภความโกรธความหลงด่าความอยาก เพราะมันเป็นตัวที่ทำให้เราวุ่นวายกันตัวที่ทำให้เราเดือดร้อนตัวที่ทำให้เราทุกข์กันเวลาที่เทศในกเทศเพื่อให้เรากำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆเพราะมันเป็นตัวที่เป็นเหมือนเจ้านายเรามันทำให้เราเป็นเหมือนทาส เวลามันสั่งอะไรนี่เราต้องไปทําตามมันสั่งถ้าไม่ได้ทําก็ทําให้เราทุกข์กันถ้าเรากําจัดมันได้เราก็จะไม่มีตัวเจ้านายที่มาคอยสั่งคอยใช้เราไม่มีตัวที่จะมาทําให้เราอุ่นวายใจไม่สบายใจเสีย อ, อกเสียใจน้อย อ, อกน้อยใจ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่เกิดจากความโลภความอยากของพวกเราเองแต่พวกเรากลับไปเห็นว่าการทำตามความโลภทำตามความอยากจะทำให้เราสบายใจเช่นเราอยากจะไปเที่ยวเราไม่ได้เที่ยวเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้านก็รู้สึกเหงาว้าเวเศร้าซ้อยหงวยเงา พอเราได้ออกไปเที่ยวเราก็หายอความรู้สึกเหงาว้าเวได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ดี อ, อกดีใจสนุกสนานแล้วเดี๋ยวพอเรากลับมาบ้านความสนุกสนานดี อ, อกดีใจก็หายไปเดี๋ยวพอเกิดความอยากจะออกไปเที่ยวอีกความรู้สึกเหงาว้าเวเบื่อนายก็จะเกิดขึ้นอีกเราเลยกลายเป็น ต้องเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่เราไม่ได้เที่ยวเราจะไม่รู้สึกเราจะรู้สึกไม่สบายใจเน mm ี hmm. ่ยเราเที่ยวมาตั้งแต่เด็กจะเที่ยวมาจนโตแล้วจะเที่ยวไปจนแก่เที่ยวไปจนตายความอยากเที่ยวก็จะไม่มีวันหมดตายไปความอยากเที่ยวก็จะพาให้เรากลับมาเกิดกันใหม่ กลมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้เที่ยวกันใหม่เพื่อจะได้ทําตามความอยากกันใหม่เวลาได้ทําตามความอยากมันก็ดีเพราะมันทําให้ความไม่สบายใจมันหายไปแต่มันไม่ดีตอนที่อยากแล้วไม่ได้ทำหรือทําไม่ได้นตอนนั้นจะทุกข์ทรมานใจแล้วมันต้องมีเวลาสักวันหนึ่งเวลาหนึ่งที่ เราจะไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้เวลานั้นเราก็จะทุกข์ทรมานใจตอนนี้เรายังมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถทำอะไรตามความอยากของเราได้ถึงแม้จะสมบูรณ์บางทีก็ยังทำไม่ได้เพราะนอกจากร่างกายแล้วเรายังต้องมีสิ่งของเช่นเงินทอง คอยคอยสนับสนุนในการทำตามความอยากต่างๆถ้าเกิดเราตกงานไปเนี่ยไม่มีไรายได้จะใช้เงินเหมือนกับเวลาที่เรามีงานทำก็ไม่สามารถทำได้เวลาตกงานก็เดือดร้อนกันวุ่นวายใจกันรารู้ว่าจะไม่สามารถทำตามความอยากได้เหมือนที่เคยทำเพราะว่าเงินไม่มี เรือมีก็ต่อไปก็จะต้องหมดถ้าเราไม่สามารถหามาเพิ่มได้นี่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากนี่เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะอยู่บ้านได้เราจะอยู่เฉยๆได้ไม่ไปเที่ยวก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไม่ได้ซื้อข้าวของที่เราอยากจะซื้อก็จะไม่เดือดร้อนแต่เราไม่เคยมาถึงจุดนี้กัน เราไม่เคยฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากกันเราไปทางความอยากไปทำตามความอยากแล้วก็เวลาไม่ได้ทำเราก็ทรมานใจเศร้าใจงอยเหงาว้าเวนี่คือตัวที่เป็นปัญหาในชีวิตของพวกเรา คือความอยากต่างๆของพวกเรานี่มันทำให้เราวุ่นวายกันที่เราต้องทำมาหากินกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความอยากอีกส่วนหนึ่งเพราะความจำเป็นความจำเป็นคือการเลี้ยงดูร่างกายมันเป็ น, ปนความจำเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับความอยากมีร่างกายแล้วก็ต้องมีอาหารให้ร่างกายรับประทาน มีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคส่วนนี้มันไม่ค่อยรุนแรงเหมือนกับส่วนอีกส่วนของความอยากแต่ถ้าเราลองดูมบประมาณใช้จ่ายของเราดูดูซิว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่เราใช้ด้วยความอยากนี่ส่วนไหนมันจะมากกว่ากันเราจะเห็นว่า ส่วนความอยากนี้มันจะมากกว่าเพราะไม่ว่าเราจะได้เงินเดือนมากน้อยเท่าไหร่มักจะใช้ไม่พอเพราะว่าความอยากมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นไปด้วยแต่ปริมาณที่ใช้กับความจำเป็นคืออาหารนี่มันเท่าเดิมนอกจากเราไปเกิดความอยากที่จะซื้ออาหารราคาแพงๆมารับประทาน อันนั้นก็เป็นเรื่องของความอยากไม่ได้เป็นเรื่องของความจำเป็นดูสมัยที่เราเป็นเด็กเราไปโรงเรียนเราใช้เงินวันละกี่ตังค์ <c oughs> ทำไมเราอยู่กันได้ไปโรงเรียนแม่ก็ให้เงินค่าขนมเงินค่าอาหารกลางวันเราก็อยู่กันได้แต่พอเรามาทำงานเราเริ่มมีรายได้ อาหารกลางวันน้ํค่าใช้จ่ายที่จําเป็นก็เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มด้วยปริมาณเรือเพิ่มด้วยคุณภาพเพิ่มด้วยความหรูหราต้องกินอาหารตามร้านมีเครื่องปรับอากาศถ้านั่งกินกว๋วยเตี๋ยวข้างถนนรู้สึกว่ามันไม่เท่มันไม่อิ่ ม, มนี่คือเรื่องของความอยากไม่ใช่เรื่องของความจําเป็นแล้วเราก็ ซื้อของเกินความจําเป็นก็เรียกว่าเป็นความอยากเช่นเสื้อผ้าของเสื้อผ้าจําเป็นจริงๆมีสักสองสามชุดก็อยู่ได้แล้ว <c oughs> มีชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สํารองเผื่อฝนตกซักก็ไม่แห้งมีสามชุดเราก็พอแล้วสําหรับเสื้อผ้าถ้าเราพูดถึงความจําเป็นจริ ง, รงๆรองเท้าก็คู่เดียว มีเท้าอยู่คู่เดียวเห็นจำเป็นจะน้องมีสิบคู่ยี่สิบคู่เวลาใส่ก็ใส่ทีละคู่เี่ยคือเรื่องของความจำเป็นกับเรื่องของความอยากบางทีเราแยกไม่ออกเราถูกความอยากมันเข้ามาใช้ความจำเป็นเป็นข้ออ้างหรืออะไรซื้อของมากเกินความจำเป็นอะไรที่เกินความจำเป็นเราเรียกว่า เอะไรวะของฟุมฟ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นถ้าเราอยากจะควบคุมของฟุมฟ่มเฟือยเวลาที่เราอยากจะซื้ออะไรเราต้องถามว่าถ้าเราไม่ซื้อแล้วเราตายไหมถ้าเราไม่ได้ซื้อสิ่งนี้แล้ว เ, เราจะตายไหมถ้าไม่ตายก็สแสดงว่ า, าก็ฟุมฟ่มเฟือยถ้าไม่ซื้อแล้วตายนี่ก็สแสดงว่าไม่ฟุมฟ่มเฟือยจาเป็น เจนอาหารที่บ้านหมดถึงเวลาต้องรับประทานอาหารไม่มีอาหารรับประทานี่อย่างนี้ก็ต้องซื้อมารับประทานถ้าไม่รับประทานเดี๋ยวร่างกายก็ตายได้นี่คือวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถแยกแยะความจําเป็นกับความฟุ่มเฟือยออกจากกันถ้าเราสามารถแยกความฟุ่มเฟือยออกจากความจําเป็นได้และกําจัดความฟุ่มเฟือยได้ ชีวิตเราจะมีความกดดันน้อยเงินทองที่เราหามานี่จะเก็บไปได้จะมีเงินเหลือใช้และจะไม่เดือดร้อนหากวันข้างหน้าเกิดเราตกงานหรือเราไม่มีไรายได้เข้ามาเราก็จะมีเงินที่เรามีเหลือนี้เก็บเอาไว้สำรองได้แต่ถ้าเราไม่ใช้มาตรการแยกแยะระหว่างความจำเป็นกับความฟุ่มเฟือย ใช้เงินไปตามความอยากนี่เราจะมักจะไม่มีเงินพอใช้กันไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนของเงินเดือนมันมักจะมีของที่จะให้เราอยากซื้อมากกว่าเงินเดือนที่เรามีอยู่เสมอเราจึงไม่มีเงินไม่พอใช้เราจึงเครียดกับการหาเงินหาทอง พยายามย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กไปโรงเรียนฮะทาไมเราใช้เงินจนนํานวนเท่านั้นได้เสื้อผ้าพ่อแม่ก็ซื้อให้เราเราก็ไม่ต้องใช้เงินทองเราก็ไม่ได้เรียกร้องว่า้องมีเสื้อผ้ามากมายพ่อแม่ซื้ออะไรให้มาใสาก็ใส่ไปตามมีตามเกิดนี่ฮนะคือเรื่องของ ธรรมะเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักวิธีอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างไม่เดือดร้อนวุ่นวายในระดับของการใช้เงินทองต้องรู้จักใช้เงินทองอย่าใช้เกินกำลังคืออย่าใช่มากกว่าที่เราหามาไ ด, ได้เงินที่เราหามาได้ก็ไม่ควรใช้หมด ควรจะแบ่งไว้ประมาณสามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็ใช้กับความจำเป็นเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยรักษาโรคส่วนที่สองก็เอาเก็บเอาเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อวันข้างหน้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย อาจจะไปทำงานไม่ได้ <c oughs> หรือบริษัทอปิดไปเราจะได้ไม่เดือดร้อนกันขอให้เราคานึงถึงความไม่แน่นอนของโลกของชีวิตของพวกเราของทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเหมือนมันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปทุกวันบางทีมันก็ดีขึ้นบางทีมันก็เลวลง กิจาการมันมีขึ้นมีลงเพราะมัน ม, มีตัวแปรมากมาย <c oughs> เพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมากมายด้วยกันมันเลยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราไปคิดว่าเราจะมีงานอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆมีเงินท อ, ง, องนี้ใช้ไปเรื่อยๆ เ, เ, เราก็จะประมาทเราก็จะใช้เงินใบแบบไม่ไม่คิดถึงการที่จะเก็บเอาไว้เพื่อวันข้างหน้า แล้วก็จะใช้แบบฟุ่มเฟือยถ้าเราใช้แบบประหยัดใช้ด้วยเหตุด้วยผลนี่เราจะมีเงินเก็บเยอะอีะอกส่วนหนึ่งที่ให้เก็บถ้าถ้าเรามีเงินเก็บมากพออีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทําบุญทําทานกัน อ, อันนี้ก็สําคัญเพราะการทําบุญทําทานนี้ก็ทําให้เรามีความสุขกันความสุขที่เกิดจากการใช้เงินที่แท้จริงก็ เกิดจากการทำบุญทำทานแล้วเป็นการกระทำที่ไม่เป็นโทษเหมือนกับเอาเงินไปซื้อตามซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อของตามความอยากก็ได้ความสุขเหมือนกันแต่เป็นความสุขเดี๋ยวๆความสุขแบบควันไฟแล้วก็เป็นความสุขแบบยาเสพติดทำให้เราจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆ ไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เงินเราจะไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองได้เพราะความอยากนี้มันมันไม่หมดไปกับการทำตามความอยากมันกลับจะผลิตความอยากใหม่ขึ้นมาแทนที่อยู่เรื่อยๆแล้วความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็ไม่อิ่มไม่พอ เที่ยววันนี้แล้วมันไม่อิม่มเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะเที่ยวอีกซื้อเสื้อผ้ามาวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นเสื้อผ้าใหม่ก็อยากจะซื้ออีกมันจะไม่มีความอิ่มใจเมื่อมีความอิ่มใจมันก็ไม่สบายใจเห็นอะไรก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ก็เสียใจน้อยใจเศร้าใจถ้าได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวดีใจแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันต่อมาก็อยากได้ของใหม่อีกแ ถ้าเราถ้าอยากจะซื้อใช้เงินแบบมีความสุขก็เอาไปทำบุญทำกับใครก็ได้เมื่อจำเป็นจะทั้งทำกับวัดอย่างเดียวทำกับโรงเรียนโรงพยาบาลทำกับคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นจะกลับมาหาเราเวลาเราทำบุญเราได้ช่วยเหลือคนอื่นนี้เราจะมีความรู้สึกสุขใจ แล้วก็จะไม่ติดคือจะไม่ไม่ติดว่าจะต้องไปไปช่วยคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันทาให้เราอิ่มใจสุขใจทำให้เราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปชอปปิ้งก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้พอเวลาทำบุญแล้วจะทาให้มีความอิ่มใจสุขใจพอใจประโยชน์จากการทำบุญก็มีหลายประการนอกจากให้ความสุขใจอิ่มใจ ยังทําให้เราเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนที่คนมีคนเขารักก็ชอบเราพระพุทธเจ้าบอกคนที่ทําบุญนี่เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นขณะที่หลับเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะไม่จะไม่ถูกทําร้ายด้วยอาวุธหรือยาพิษแล้วถ้าตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติน สุขติก็คือที่อยู่ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายก็คือที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของผีของสัตว์นรกนี่คืออ น, นิสงส์ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทําบุญกันนอกจากนั้นเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมี ทรัพสมบัติข้าวของที่เราทําไว้รอเราอยู่เงินที่เราทําบุญนี้เหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาก็จะมีเงินทองรอเราอยู่พร้อมดอกเบีย้ยด้วยได้มากกว่าที่เราเอาไปฝากคนที่ทําบุญเยอะกลับมาเกิดก็จะเกิดเป็นลูกคนมีตังค์คนรวยหรือไม่ฉะนั้นก็เกิดอยู่กับ มีโอกาสได้มีโอกาสได้มีเงินมีทองส้มหล่นมาอยู่เรื่อยๆอยู่ืด้ดเดี๋ยวเงินทองก็ไหลมาเทมาทำอะไรก็ขายเด็ดขายดีนี่คือประโยชน์ของการทำบุญการเอาเงินไปซื้อของตามความอยากนี้เป็นโทษแก่จิตใจเพราะทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เราอยากจะใช้เงินเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเยยงินเดือนเราถึงไม่ค่อยพอใช้กันเพราะว่ามีเงินมากก็อยากจะซื้อของมากขึ้นซื้อของที่มีราคาแพงขึ้นเสื้อผ้าก็ชุดเสื้อผ้าก็เหมือนกันแต่ราคาแพงขึ้นจากเคยซื้อชุดละห้าร้อยก็มาซื้อชุดละห้าพันถ้ามีมากกว่านั้นก็ซื้อชุดละห้าหมืนมันมันก็เสื้อผ้าเหมือนกัน เสื้อผ้าก็มีเอาไว้สวมใส่ปกปิดร่างกายเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้คนสวมใส่เสื้อผ้าราคาแพงแพงวิเศษไปกว่าคนที่สวมใส่เสื้อผ้าราคาถูกๆใครจะวิเศษเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่เสื้อผ้าที่พทธเจ้าใส่นี้เป็นเสื้อผ้าแบบไหนรู้ปะผ้าบางสกุลเข้ามาผ้าบางสกุลก็คือผ้าหออ่อศพสมัยพุทธกาลนี้ เวลาคนตายนี่เขาจะเอาผ้าห่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าเขาจะไม่เอาไปเอาไปเผาหรือเอาไปฝังพ <c oughs> ้าสมัยนั้นก็ไม่มีใครถวายจีวร น, นักบวชสมัยนั้นต้องหาผ้าเองก็ไปเก็บผ้าผ้าห่อศพเหล่านี้มาซากักมาย้อมมาเย็บมาปะมาต่อมาทำให้เป็นผ้าผื้นใหญ่ แล้วก็ห่มเนี่ยผ้าบางสกุลที่เราเดี๋ยวนี้ก็เลยทำเป็นธรรมเนียมเวลาไปงานศพคนตายก่อนจะเผาเขาว่านี่มลผ้าไปพักชักผ้าบางสกุลก็เหมือนให้ไปให้ผ้าไปเอาผ้าห่อศพมาใช้แต่ผ้าที่แต่ผ้าที่ให้ผ้าไปใช้ยังเป็นผ้าใหม่เอี่ยมเลยยังไม่ได้ถอดออกมาจากกล่องเลยยังขอพลาสติกอยู่ใหม่เอี่ยม อันนั้นไม่ใช่ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลต้องเป็นผ้าเก่าผ้าห่อศพผ้าขี้ริ้วผ้าที่ทิ้งแล้วนั่นแหละสมัยพระพุทธการสมัยเริ่มแรกที่ยังไม่มีคนศรัทธายังไม่รู้จักคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เขาก็เขาก็ทำเพียงอย่างเดียวก็คือใส่บาตรผ้าตอนเช้าก็ไปเข้า ข้าหมู่บ้านไปไปบินสบานยส่วนอย่างอื่นนี้ท่านต้องหากันเองที่อยู่อาศัยท่านก็หาอยู่กันตามป่าตามเขาทําเป็นเพิงทําอะไรไปถ้ามีเงื่อนผามีถ้ำก็อยู่ไปที่อยู่ของของคนวิเศษสมัยพุทธกาลพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านอยู่ที่แบบนั้นเพราะ เหตุผลอันหนึ่งก็คือเขาไม่ได้สร้างที่อยู่ให้ท่านสองท่านก็อยากจะอยู่ที่เงียบๆที่ไม่มีคนมาพุกพลาดมารบกวนการปฏิบัติเรื่องของการทำจิตใจให้สงบต้องอยู่ที่เงียบๆอยู่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่ยั่วยุลกวนใจต่างๆท่านก็จะไปอยู่ตามป่าตามเขากัน แล้วเมื่อไม่มีกายสร้างก็ต้องทำกันเองบางทีก็ต้องทำเพิงทำอะไรกันแดบดบกันฝนบ้างแต่ไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ mm hmm. อยู่เหมือนกับพระทุดงอยู่พระทุดงเวลาท่านไปทุดงในป่าท่านก็เอากรดไปอันหนึ่งกฎก็คือร่มใหญ่ๆคันหนึ่งแล้วก็มีมุ้งอันหนึ่งไว้สาหรับครอบ เวลากลางร่มออกมาแล้วก็เอามอุ้งครอบร่มน่าจะได้ใช้ร่มเป็นใช้เป็นหลังคาส่วนมุ้งก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นฝาบ้านฝากุฏิบ้านป้องกันยุง <c oughs> ท่านต้องการแค่นี้แหละสำหรับผู้ที่วิเศษจริงๆเพราะถ้าไม่เห็นอะไรในในในโลกนี้จะวิเศษเท่ากับธรรมที่จะเกิดขึ้นในใจของพวกเรา ธรรมก็คือความสุขใจที่เกิดจากการไม่มีความอยากความอยากนี่ทำให้ใจเราไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากได้สิ่งต่างๆถ้าเรากำจัดความอยากได้ทำใจให้สงบได้ใจเราจะอิ่มจะพอจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำอะไรตามความอยากต่างๆ ไปซื้ออะไรตามความอยากต่างๆทำให้เราไม่ต้องไปทำงานให้เหนื่อยยากกว่าจะได้เงินมาแต่ละเดือนนี่เหนื่อยไหมต้องรับใช้คำสั่งเจ้านาย <c oughs> ทำอะไรทำไม่ดีก็โดนข้าว่าอีกแล้วก็วิตกกังวลเดี๋ยวเขาจะไล่เราออกหรือเปล่า <c oughs> นี่นี่คือเรื่องของการ ใช้เงินหาเงินถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ทำแบบพระพุทธเจ้าดีวกว่าเลิกหาเงินเลิกใช้เงินถ้าเลอกใช้เงินเลิ ก, เเลกหาเงินก็ไปอยู่แบบนักบวชได้ไปเอาเวลามาต่อสู้กับความอยากฝืนความอยากให้ได้ถ้าความอยากมันตายเมื่อไหร่เราก็จะสบายเมื่อนั้น จะไม่มีอะไรมาสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจจะไม่มีอะไรมาสร้างความวิตกกังวลห่วงใยวุ่นวายใจต่างๆมันล้วนเกิดจากความอยากทั้งนั้นอยากได้เงินดได้ทองอยากได้ตำแหน่งอยากได้ให้อยากให้คนนั้นคนนี้ยกย่องสรรเสริญชมเราอยากได้สิสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อยากไปเที่ยวอยากไปดื่มอยากไปรับประทานอยากจะไปซื้อข้าวของต่างๆมาใช้แต่ความอยากอันนี้มันบงังคับให้เราต้องลิ้นลนกันต้องเหนื่อยยากกันต้องนำบากกันแล้วก็ถ้าไม่สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่เราต้องการได้ก็มีความเครียดมีความทุกข์ ถึงบางครั้งอาจจะอยากจะฆ่าตัวตายคนสมัยนี้ที่เขาใช้ชีวิตทาตามความอยากกันนี่พอเขาเข้าสู่วัยชราเข้าสู่วัยที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ตอนนั้นเขาก็อยากจะฆ่าตัวตายอยางนี้ทางประเทศที่มีความเจริญทางวัตถุเนี่ย และประเทศที่ทุ่มเทให้กับการทําตามความอยากต่างๆพอร่างกายแก่ร่างกายไม่สามารถทําตามที่อยากได้ก็คิดหาวิธีฆ่าตัวตายกันในเวลาร่างกายไม่สบายพิกลพิการไม่สามารถทําความอยากได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายก็เลยพยายามผลักดันกฎหมายให้ หมอช่วยทำให้คนไข้าตายได้โดยไม่ผิดกฎหมายพออยู่ไปก็ทรมานใจไม่สามารถไปเที่ยวไม่สามารถไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นไปทาอะไรต่างๆเหมือนที่เคยทำได้แต่ในประเทศที่เขามีการควบคุมความอยากแล้วมีการามีมาตรการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ความอยาก เขาก็จะไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องของการข้าตัวตายถ้าใครปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้จะไม่ไม่ต้องคิดข่าตัวตายก็ะจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะมาหาวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ความสุขอันแรกที่ก็ที่ได้พูดถึงก็คือความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานถ้าเรามีเงินเหลือแล้วเราอยากจะเอาเงินนี้ไปซื้อของตามความอยากก็เอาไปทําบุญจะดีกว่าจะได้ความสุขแล้วเป็นความสุขที่จะทำให้ใจเราอิ่มจะทำให้เราไม่อยากซื้อข้าวซื้อของไม่อยากไปเที่ยวตามที่ต่างๆ <c oughs> อันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการใช้เงิน ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ขยับมาหาความสุขอีกระดับหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการมาควบคุมใจให้สงบให้หยุดความอยากเวลาใจสงบความอยากมันจะหยุดทำงานแล้วพอความอยากไม่ทำงานก็จะเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจขึ้นมาทาให้เราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของ ไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขกับเราได้นี่แหละความสุขอันนี้เป็นความสุขที่เลิศที่สุดเพราะว่ามันมีอยู่ในตัวของเราเราไม่ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกาย <c oughs> เพียงแต่ใช้สติควบคุมความคิดของเราไม่ให้ใจเราคิดเรื่อยเปื่อยให้หยุดคิดถ้าใจเราหยุดคิดได้เมื่อไหร่ใจเราจะ เข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วความอยากก็จะหายไปความหิวก็หายไปค ว, ความสุขก็เข้ามาความอิ่มก็เข้ามาความพอก็เข้ามาอันนี้แหละถ้าเราได้ความสุขแบบนี้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายร่างกายจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแบบนี้กันเพียงแต่มีมีสติหยุดความคิดของเราได้เท่านั้นเองหยุดความคิดหยุดความอยากได้เราก็มีความสุขได้แล้วเป็นความสุขที่ที่ดีกว่าความสุขที่เราต้องไปทางานทาการไปหาเงินหาทองกันเหนื่อยกันแทบเป็นแทบตาย แล้วพอได้มาไปซื้อของปั๊บไปเที่ยวปั๊บเดียวเงินก็หมดละแล้วก็ต้องหากันใหม่แต่มันจะต้องมีสักวันที่จะหาเงินกันไม่ได้บริษัทอาจจะพับไปปิดไปหรือร่างกายเราชลาภาพต้องกเกษียณอายุเดี๋ยวหกสิบหกสิบห้าเขาก็บอกว่าบายบายใช้ประโยชน์จะเอาประโยชน์จากเราไม่ได้นะ เราไม่มีคุณประโยชน์กับเขาแล้วเขาก็ไม่ใช้เราเขาก็ไม่ให้เงินทองเราตอนนี้เราทำประโยชน์ให้เขาเขาก็เลยให้เงินทองเรามาใช้กันนั้นเราต้องมองไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้าชีวิตของเรามันจะต้องเจอกับความขาดแคลนทางทางร่างกาย ร่างกายจะไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านพอร่างกายมันทําอะไรไม่ได้มันก็อยากจะตายเหมือนกัน <c oughs> เพราะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ <c oughs> <c oughs> นี่คือทางเลือกที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้เข้ามา ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าชีวิตของเรามีทางเลือกที่ดีกว่ารอเราอยู่เป็นทางเลือกที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นทางเลือกที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเป็นทางเลือกที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำากเพราะเราไม่รู้หรอกว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่เรายังต้องกลับมาเกิดกันอีก กัรมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันเอีเพราะเรายังมีความอยากอยู่ความอยากนี้มันยังอยู่ในใจเราอยู่ใจเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนกับรถยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์เวลารถยนต์เสียคนขับยังอยากอยากใช้รถยื่ทำยังไงก็ไปซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ ถ้ารถเก่ามันเสียใช้ไม่ได้ก็ขายไปไปไปเทรดเข้าไปใหม่ไ ป, ไปแรกเอารถเก่าไปแล้วก้ารถใหม่ออกมาใช้ร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์ที่ใจใช้ในการพาใจไปตามสถานที่ต่างๆไปทำอะไรต่างๆใจมีความอยากก็เลยต้องใช้ร่างกายใจอยากดูก็ต้องมีตาดู อยากฟังก็ต้องมีหูฟังอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากโดนกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสอะไรต่างๆก็ต้องมีทางร่างกายสัมผัสความหนาวความเย็นความร้อนความนุ่มความแข็งนี่ก็ต้องมีร่างกายถึงจะสัมผัสได้ <c oughs> ถ้ายังมีความอยากอยู่ในใจอยู่เวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่มีรูปร่าง ไม่มีส่วนประกอบเหมือนร่างกายเลยไม่ตายร่างกายที่มันตายเพราะส่วนประกอบของร่างกายนี้มันจะแยกออกจากกันส่วนประกอบของร่างกายนี้คืออะไรก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกั น, เ, นเวลาเรากินข้าวนี่เรากําลังเอาธาตุดินเข้ามาเข้ามาสร้างร่างกายเราเวลาดื่มน้ำดื่มของเหลว เ, เรากาลังเอาน้าเข้ามา ก่อสร้างร่างกายแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปเรากําลังเอาลมเข้าไปก่อสร้างร่างกายเราเวลาที่เรามีความร้อนอยู่ในร่างกายเรากำลังมีธาตุไฟ <c oughs> อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเรามเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟนี้เองแล้วพอเข้าไปในร่างกายมันก็ไปผลิตผมขนเล็บฟันต่างๆขึ้นมา ผมขนด้วยฟันนี่มันมาจากไหนมันมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปอากาศที่เราสูดเข้าไปถ้าเรายังมีการเอาอาหารเอาน้ำเอาอากาศเข้า <c oughs> <c oughs> ไปในร่างกายร่างกายมันก็ยังจะอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะเจริญเติบโตไปจนถึงขีดสูงสุดพอมันถึงขีดสูงสุดแล้วมันจะไม่โตไปกว่า น, นั้น มันก็จะเริ่มนับถอยหลังนะมันจะเริ่มแยกตัวกันธาตุที่เราเอาเข้าไปนี้มันจะอยากจะแยกออกจากกัน <c oughs> ร่างกายมันก็จะเสื่อมลงไปชราลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอถึงาวาระสุดท้ายลมก็ไม่เข้าแล้วพอลมไม่เข้าก็การอยู่ร่วมกันของธาตุสีก็หมดทีนี้ก็จะมีการแยกธาตุออกจากกันละธาตุลมก็จะ ราเหยออกม า, าธาตุน้ําก็จะไหลออกม า, าธาตุไฟก็จะจางหายไปทิ้งร่างกายไว้นานๆก็จะแห้งกรอบผุกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายส่วนใจนี้เป็นาธาตรู้เป็นาธาตุที่ไม่ได้มีส่วนประกอบอย่างอื่นมันเลยไม่แตกไม่ดับมันอยู่ของมันอย่างเดิมเมื่อเมื่อไม่มีร่างกายที่มันจะใช้ในการสั่งให้พระ ไปทำอะไรต่างๆแต่ใจมันยังมีความอยากอยู่มันก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอใครมีการผสมกันมีผสมพันยันที่ไหนมันก็ไปครอบครองก็เรียกว่าไปจุติไปเกิดไปจองร่างกายอันใหม่ที่พึ่งพ่อแม่พึ่งเริ่มผสมกันเวลาธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มารวมกันใจที่อยากได้ร่างกายก็มา มาส่งกระแสจิตเข้ามาเข้ามาจองไว้มาผูกติดไว้ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจส่งกระแสจิตมาเกาะที่ร่างกายเกาะที่ตาหูจมกูกลิ้นกาย <c oughs> แล้วก็ใช้ความคิดเป็นตัวสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของพวกเรา ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ก็ยังต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาดิน้นมาต่อสู้กับาการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มาต่อสู้กับความอยากต้องมารับใช้ความอยากว่เาเวลาความอยากสั่งให้ไปทำอะไรก็ต้องไปทำถ้าไม่ทำแล้วมันจะดิ้นตายเวลาไม่ได้ทำอะไรนี้รู้สึกสบายใจไหมไม่สบายใจใช่ไหแต่พอได้ทำแล้วสบายใจไห สบายใจเดียวเดียวหายไปเดียวเดียวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกมาทิ่มแทงใจเลยเน <c oughs> <c oughs> ี่ยตราบใดถ้าเราไม่มากำจัดความอยาก <c oughs> ไม่มาหาวิธีหาความสุขแบบใหม่ <c oughs> เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> และการเกิดคราวหน้าก็ไม่มีใครรับประกันว่าจะเกิดดีกว่าเก่าหรือเรวกว่าเก่าหรือเท่าเก่าเพราะมันก็มีเหตุที่จะทาให้ดีกว่าหรือเท่าเก่าหรือ หรเร็วกว่าเก่าเหตุที่จะทําให้เรากลับมาเกิดดีกว่าเก่าหรือก็คือถ้าเราทําบุญทําความดีไว้มากกว่าทําบาปเราก็จะกลับมาดีกว่าเก่าถ้าเราทําบาปมากกว่าทําดีกลับมามันก็จะเรวกว่าเก่าถ้าเราทําเท่าเดิมกลับมาก็จะได้เท่าเดิม <c oughs> นี่คือทำํำไมคนเราจึงเกิดมาไม่เท่ากันสูงสูงต่ำต่ำ ก็เพราะว่าอดิตชาติทำมาไม่เหมือนกันทำความดีทำความชั่วทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันมากน้อยต่างกันผลก็เลยมีความแตกต่างกันเพราะว่าผู้ที่กระทำนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่กระทำนี้มาทำกระทำต่อมารับผลที่ของตนเองได้ทำไว้ต่อ <c oughs> ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็จะรู้แต่วิธีหาเงินหาทองวิธีใช้เงินใช้ทองแล้วเวลาที่เราทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราก็ต้องทนทุกข์ไปถ้าทุกข์มากๆทนไม่ไหวก็กินยาตายกัน <c oughs> หนีความทุกข์กันไปพอตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ เป็นอย่างนี้มานานแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกล่ารเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราเห็นเห็นว่าวิถีชีวิตของเราที่เราดำเนินอยู่ตอนนี้มันนำไปสู่ความทุกข์นาไปสู่ความเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะหลุดออกจากวิถีชีวิตอันนี้เราก็ต้องมา ใช้วิถีชีวิตแบบใหม่เช่นถ้าเรายังใช้เงินอยู่ใช้เงินซื้อความสุขก็เอาเงินนี้ไปทําบุญเป็นวิธีที่ซื้อความสุขที่ไม่มีโทษเป็นวิธีซื้อความสุขที่ที่จะช่วยให้เร า, เาตัดความอยากได้ตัดการว่าตายเกิดได้เช่นเราอยากจะไปเที่ยวเรา เ, าเงินไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนเราก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวพอเราไม่ได้ไปเที่ยวแต่เราไม่ เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเราได้ไปทำบุญเวลาทำบุญเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ทำบุญเราจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหงาว่าเว่เศร้าบรย่ายเหงาแต่ถ้าเราเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญเราจะมีความสุขใจยิ่มใจจะทำให้เรากลับบ้านได้ไม่ต้องไปเที่ยวได้ แล้วเมื่อเราไม่ทำตามความอยากไปเที่ยวครั้งต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็จะน้อยลงไปเบาลงไปทุกครั้งที่เราฝืนความอยากไปเที่ยวได้ต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็จะหายไปเหมือนคนที่เขาจะเลิกบุหรี่หรือเลิกสุราเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้เวลาที่เขาอยากจะดืม่มดื่มสุราเขาก็ต้องไม่ดืม่มเวลาไม่ดื่มมันก็ทรมานใจนิดหน่อยก็ต้องอดทนไป ก็เอาเงินที่จะไปดื่มสุลาร์ซื้อสุลาไปทำบุญมันก็จะทำให้มีความสุขใจขึ้นมาแทนที่ได้ต่อไปก็จะเลิกดื่มสุลาได้เลิกเลิกสูบบุหรี่ได้เลยพวกเราไม่ทำตามความอยากพอเราสามารถที่จะเลิกใช้เงินใช้ทองเราก็จะเห็นว่ามีเงินทองก็ไม่มีประโยชน์อะไร ดูเอาเวลาหาเงินทองนี้ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าจากการไม่ทำตามความอยากต่างๆดีกว่าเราก็จะเริ่มสนใจเข้าวัดไปอยู่วัดไปปฏิบัติไปทำใจให้สงบกัน <c oughs> แล้วพอเราทำใจให้สงบเป็นแล้วเราสบายแล้วทีนี้มีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเงินทองหรือไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีเงินทองก็อยู่แบบขอทานไปพระนี่ก็อยู่แบบขอทานกันพระนี้ก็ไม่มีเงินมีทองก็อยู่แบบขอทานเช้าก็บินธบาติญ <c oughs> าติโยมที่ไม่ได้บินธบาตก็มาอยู่วัดก็มารอรับส่วนส่วนอาหารของพระที่เหลือพระก็ยินดีที่จะสนับสนุนเพราะญาติโยมผู้หญิงไม่สามารถที่จะไปบินธบาตได้แต่ก็อยู่วัดได้ อยู่วัดก็สายข้าวัดกินนี่แหละถ้าเราอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมนี้ไม่เสียหายไม่ได้เป็นการอยู่เพื่อที่จะมาเป็นเป็นแรงเป็นกาเป็นกาฝากอะไรอยู่เพราะว่านี่คือวิถีชีวิตของการอยู่แบบถูกต้องอยู่ด้วยความสงบมีความสุขกับความสงบ <c oughs> เราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่วัดเราก็ทําประโยชน์ให้กับวัดได้ มีหน้าที่การงานอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ทํากันไปมันก็ไม่ใช่งานมากมายอนะไรงานเก็บกวาดเช็ดถูทั้งนี้พอเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติทํำใจให้สงบไม่มีความสุขกันไม่ต้องมาเครียดกับการหาเงินหาทองไม่ต้องเครียดกับการไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ต้องเครียดกับการมาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปา แต่งไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็เขียวอยู่ดีเดี๋ยมันก็แก่อยู่ดีเดี๋ยวผมมันก็งอบ <c oughs> อดีนี้ไม่ไม่ยอมผมแล้วนะอนนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่วิเศษที่นานๆานจะมามีมาโผคมาปรากฏในโลกนี้สักครั้งหนึ่ง ทายมามาพบปะพระพุทธศาสนานี่ถือว่าโชคดีเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดีกว่ารางวัลที่หนึ่งอีกเพราะรางวัลรางวัลที่หนึ่งก็ยังทําให้เราทุกข์อยู่ได้รางวัลของพระพุทธศาสนานี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะมีแต่ความสุขไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์กับการมาหางานทํางานทุกข์กับความวิตกว่าจะตกงานเมื่อไหร่ จะต้องหางานเมื่อไรความทุกข์ต่างๆจะไม่มีอีกต่อไปถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้การปฏิบัติก็เป็นการเหมือนกับการไปขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ให้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร แต่เราต้องไปขึ้นรางวัลกันวิธีขึ้นรางวัลก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนสามขั้นคือทาทานเอาเงินไปทำบุญทาทานแทนเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของตามความอยากเราก็มารักษาศีลที่บโอยสุดกันรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดแล้วก็ไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันแล้วรับรองได้ว่า เราจะมีความสุขเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปฝลจะตกแล้วก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนจะอนุมูทนาให้พรเพื่อคนที่เปียกผลจะได้หาที่หลบได้ยะถาวาริวหาปุราปริปเรนติสาครังเอวเมวะอิตตทินังเปตานังอุปกาปติ อิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดฝเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรัสโยถามาณิโชติรัสโยยถาสัพพีติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานาสีดิสะนิจังวุทธาปจายินโนยัตตารุธรมมวาทานติอายุวันโสอสุขังภาลางังไม่อยู่กี่วันครับกรรมอาทิตย์เะภาวนานะ่ยหยุดความคิดนะอนย่าไปคิดนะ คิดทน่้ันดแด่เกิดแล้วถ้ามันวิเศษวิเศษไปนานแล้วแหละไม่คิด น, นะวิเศษคิดนะไม่วิเศษยัไงไงไปดูศพบ้างนี่ยังตรงนี้ไม่ได้ไปแล้วเบื่อแล้วเลยดูยังเลยดูหนังเล น, นอ่าดี ถ้าวันหลังไม่ได้มาที่นี่ก็ยังติดตามได้นะมีถ่ายทอดสดทุกวัน <c oughs> บ่ายสองถึงสี่โมงทาง YouTube กับเฟซบุ๊กก็ไปได้ Facebook พ <c oughs> ่อาจารย์สุชาติ <c oughs> YouTube ก็เหมือนกันพ่อสุชาติไลฟ์ก็มีคนติดตามอยู่ทุกวันวันละสี่ห้าร้อยคนหามสี่ร้อยคนวันนี้เข้ามาเท่าไหร่เฟย ถามว่าแปดสิบ huh. YouTube ตั้ไร y ตอนนี้หกสิบกค่ะหกสิบหกมีมาจากทุกหลายประเทศแล้วสิบเก้า hmm. ประเทศต่้งไรวันนี้มีเพิ่มมาไต้หวนนะะันค่ะไต้หวันในประเทศเนื้ mm hmm. ติดตามได้แล้วก็ mm hmm. มีคำถามก็ส่งข้อความเขียงเข้ามาได้ mm hmm. เดี๋ยวก็มีคนจะส่งข้อความเข้ามาถามคำถามต่า ง, ตงแต่ตอนนี้มีมี มีมีคำถามที่นี่ถามเลยอย่างนคือหนูรังสมาธิใช่ไหมครัอะะาจารย์เสร็จแล้วเราตอนแรกพระพิอาจารย์บอกให้นัานา่งภาวนพุโทโธพุทโธแล้วก็ไม่ลอง น, งนั่งนะมันจับโดยจิเก่งตรงระหว่างคิวค่ะเสร็จแล้วก็เลยเคยถามคำถามมาแล้วพระาจาบอกว่ามันขึ้นมารใช่ไหมครับเพราะว่าทํามันไม่นั่งมันก็าหายไปเก่อแต่มันก็ยังนั่งแล้วมันยังเก่งอยู่หนูก็เลยเปลี่ยนไปว่า ให้พอนำพุโทโธสายดูลมหายใจ uh huh. แทนแต่พอดูลมหายใจเนี่ยมันเปลี่ยนมาเกตงตรแก้มข้างขวาข้างซ้ า, uh huh. า ย, ทยอทนก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนเนี uh ่ย huh. เพราะว่าจิตมันยังอยากจะคิดอยู่แล้วพอหยุดความคิดมันก็เลยต่อต้านมันก็เลยสร้างอาการเกงไปตามที่ต่างๆก็ให้มันคิดกลับบทสวดมนต์ไปก่อนสวดไปนานๆสวดสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง แล้วรู้สึกว่าเบาสบายแล้วค่อยดูลมต่อดูพุโทโธต่อตอนตอนนี้ใจเรามันคิดอยู่ตลอดเวลาพอจะเบรคมันมันก็เหมือนกับยางรถที่มันเสียดสีกับพื้นถนนเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเครียดขึ้นมาในจิตเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเบรคมันให้มันวิ่งต่อแต่ให้มันวิ่งไปในทางธรรมะให้มันไปกับบทสวดมนตร์ บทสวดมนต์จะกล่อมใจให้มันเย็นลงเองบางคนก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เปิดเทศฟังธรรมะไปก่อนพอฟังเรารู้สึกใจเบาใจสบายแล้วค่อยหยุดฟังแล้วค่อยมาพุทโธพุทโธต่อแล้วดูลมหายใจต่ออีกวิธีหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะมานั่งนี่เราต้องหัดพุทโธไว้ก่อนต้องฝึกสติให้มากๆก่อนอย่าเพิ่งมาทําตอนที่เรานั่งเลย เวลาไม่นั่งเราก็ปล่อยใจให้คิดเลวอยเปื่อยไปตลอดทั้งวันนี้ไม่ได้เวลามานั่งมันจะหยุดมันยากถ้าจะหยุดมันก็ควรจะหยุดมันตั้งแต่ที่เรายังไม่มานั่งคอยแตะเบรกไปเรื่อยๆก็ผ่อนคันเร่งไปก่อนพอเวลามานั่งมันจะได้ไม่ไม่นึเครียดแล้วตอนเรานั่งภาวนาเนี่ยค่ะเราต้องจีนาการหรือต้อ ง, ง, กกองอยิงภาตัวเองหอเปล่อ๋อไม่ให้อยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับลมหายใจไป ก็คือเหมือนกับเราหลับตาเนี่นคือตอนต้นนี้เรานั่งเพื่อให้ใจสงบใจไม่คิดอะไรเั่นเราไม่ต้องไปนึกภาพไม่ต้องอะไรต่างๆอันนั้นอีกขั้นหนึ่งขั้นปัญญาขั้นแรกนี้เราเรียกว่าขั้นสมาธิ<ช>เราต้องการหยุดความคิดก็คือนั่งแล้วหให้มันเป็นขีดดำแบบนี้นอ่ะมันดำมันจะดำจะขาวจะจะอะไรไม่ต้องไปสนใจใชนั้นหลับตาไปแล้วก็ดูลมหายใจไปก็ได้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้ ดูลมแต่เหมือนกับพอเราพุธมันก็เหมือนกับมีลมไม่ไม่ต้องพุธไม่ต้องโทัเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวหืออดูอยู่ที่ปลายจมูกดูว่าลมเข้าลมออกแค่นี้เวลาเข้ามันก็จะมาแตะที่ปลายจมูกเวลาออกมันก็จะมาแตะที่ปลายจมูกไม่ต้องตามเข้าไปไม่ต้องตามออกมาให้จออยู่จุดเดียวจิตมันจะนิ่งได้มันต้องอยู่จุดเดียวถ้ามันเคลื่อนไหวมันจะไม่นิ่ง ดัน้นถ้าจะดูลมให้ดูที่แถวบริวณปลายจมูกดูว่ามันเข้าหรือเปล่าตอนนี้มันเข้าใช่ไหมตอนนี้มันออกใช่ไหมให้ดูแค่นี้ดูเข้าดูออกถ้ามันยาวก็รู้ว่ามันยาวถ้ามันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดถ้ามันสั้นก็รู้ว่ามันสั้นมันยาวก็รู้ว่ามันยาวไม่ต้องไปบังคับมันปล่อยไปตามเรื่องของมันเราไม่ต้องการมาควบคุมลมเราต้องการใช้ลมเป็นที่เกาะจิตเท่าั้นเองเพื่จิตจะได้สงบได้ แล้วถ้านั่งไปแล้วมีอาการอะไรต่างๆก็อย่าไปสนใจจะมีแสงสว่างโผล่ขึ้นมาก็เรื่องของมันอย่าไปตื่นเต้นตกใจดีใจดูลมต่อไปดูไปจนกว่ามันจะตกหนุมตกบ่อแล้วมันจะนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรตนะอนนั้นมันก็จะนั่งเฉยๆได้อย่างสบายก็นั่งไปจนกวมันอยากจะลุกค่อยๆลุกขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรเ้าต้องการความสงบ เพราเวลาจิตนิ่งจิตสงบมันมีความสุขมันสุกยิ่งกว่าได้ไปเที่ยวไ ด, ได้ได้เงินได้ทองมาเท่าไหร่ก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ลองไปทำดูข้อสำคัญก็คือต้องฝึกสติก่อนมานั่งเวลายัางไม่ได้นั่งก็ให้มีสติจะพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าจะคอยเศร้าดูร่างกายไปก็ได้ ตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไรอยู่ก็เฝ้าดูไป อ, อย่าอยาไปคิด อ, อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อ้าเรื่องวันที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดอย่าไปคิดแล้วเวลานั่งมันจะสงบง่ายมันก็ไม่เครียดเราขึ้นมานั่งกันตอนนี้เดี๋ยวถ้าปุยยไม่ได้ยินเสียงอาจจะต้องให้นั่งเฉยๆนั่งสมาธิกัน เสียงดังพอไหมยันได้ยินกันอยู่หรือเปล่ายได้ยินยได้ยินมัมีใครอยากจะถามอะไรการทในชีวิตประจวันกเราอแบบหนที่เราทาได้ก็ทำไปเลยถ้ามีเงินก็ทาด้วยเงินถ้าไม่มีเงินก็ทาด้วยกายวาจาก็ได้ เช่นเรามีความรู้เราจะสอนใครให้ความรู้โดยที่ไม่เก็บตังค์ก็ได้เช่นเป็นเวลาเด็กอยากจะมาเรียนพิเศษนี้เรามีวิชาความรู้เราก็สอนเขาไปแบบไม่เก็บตังค์ก็ได้หรือช่วยเหลือกันก็ได้เวลามีมีงานมีการที่จะต้องช่วยกันก็ช่วยกันไปเพื่อทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนอื่น ไม่ได้เปิดประโยชน์กับเราเรียกว่าเป็นการทําบุญเป็นการลดละความเห็นแก่ตัวด้วยเป็นการสร้างมิตรภาพเขาเรียกว่าเป็นการแผ่มเมตตาทําให้คนอื่นเขามีความสุขเป็นบุญทั้งนั้นถ้าเราสะดวกใช้เงินก็ทําบุญก็ใช้เงินไปเอาเงินมาแจากคนละร้อยสองร้อยพวันเจอหน้ากันแก็เอาคนละร้อยสองร้อยเอาไปซื้อข้าวกินเงิน <c oughs> ไหนก็ทำบุญแล้วไม่ต้องไปทํากับพระไม่ต้องไปทำกับโยกที่ไหนหรอกทำได้ทุกแห่งทุกคนเดียวคือการทําบุญแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะวิธีนี้นะการทาบุญในพระพุทธศาสนานี้ท่านสอนได้ถึงสิบวิธีด้วยกันวิธีที่พูดเรียกว่าทานเป็นการให้ทานวิธีที่สองท่าเรียกว่ารักษาศีนี่ก็เป็นการทําบุญนี ถ้าเราไม่ทำบาปเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นการทำบุญใหญ่แล้ววิธีที่สาก็อย่างที่บอกให้มานั่งสมาธิกันทาใจให้สงบกันไี่ว่าภาวนาอันนี้ก็เป็นการทําบุญวิธีที่สาวิธีที่4ี่ก็อุทิศบุญเนี่ยวันนี้เราทําบุญเราได้บุญเราสามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับแต่ได้ไปแล้วได้ถ้าเขารอรับบุญนี้อยู่เขาก็จะได้รับไป แล้วอนุโมทนาบุญก็คือยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นเวลาใครเข า, ขาทาบุญเราก็อย่าไปขัดขวางอยา <c oughs> ่าไปอ้ามเขาควรจะสนับสนุนแสดงความยินดีไปแล้วเราก็จะมีความสุขเรื่องกับเขาได้แล้วบุญในการก็คือบุญช่วยเหลือกันการช่วยเหลือกันนี่ก็เป็นบุญการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็เป็นบุญมีสัมมาคารวะ รู้จักที่ที่สูงอันนี้ก็เป็นบุญแล้วการการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เราทํากันอยู่ตรงนี้ก็เป็นบุญัำเราก็ทําให้ใจเรามีความสุขมีความสงบคำว่าบุญก็คือความสุขใจการกระทํำต่างๆนี้จะทําให้เรามีความสุขใจกระบายใจดับความทุกข์ใ จ, จต่างๆได้ แล้วถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะแล้วเราเห็นว่าเป็นหนังสือมีประโยชน์เราจะเอาไปแจกคนอื่นต่อก็ได้บุญเรียกว่าทำรรทานนี่คือบุญลักษณะต่างๆที่พระเจ้าสอนให้เราทำบุญกันทำบุญเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุด จะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าไดเ้เป็นพระอนาหารได้หลุดพ้นจากการเยี่ยนไ่วตายเกิดได้ไม่ควรไม่ทำบุญวิธีอื่นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำเช่นไปละไปบูชาลาหินไปทำพิธีอะไรต่างๆที่เขากำลังนิยมทำกันนีการกระทำเหล่านี้ถ้าไม่ได้เป็นวิธีที่พระเจ้าสอนให้ทำไม่ไม่เป็นบุญไม่เป็นประโยชน์กับกจิตใจ เสียเวลาเปล่าๆมันไปแล้วจะไม่ได้อะไรให้ทำบุญสิทธิวิธีนี้ทีเจ้าโรงสั่งสอนให้ทำจะได้รับประโยชน์จะไม่มีโทษจะไม่สูญเปล่า <c oughs> ที่ก็อยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราจะสามารถทำบุญชนิดไหนได้ บุญแต่และชนิดก็มีความยากง่ายต่างกันไปนบุญที่ง่ายก็คือทําทานนง่ายเรามีเงินเราก็แบ่งกันก็ได้บุญละรักษาสีนี้ก็จะยากขึ้นไปให้มานั่งสมาธินี่ก็ยิ่งยากกันใหญ่อเพราะเราเป็น เ, นเมือพวกลิงอยู่ไม่เป็นสุขกันอจะให้ลิงอยู่เฉยๆได้ต้องเอาเชือกมามัดเลย แ้พวพเราอยากจะนั่งสมาธิได้แล้วต้องเอาสติ ม, ามาัดให่สติก็คือพุทโธพุทโธนีให้เราตัองพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเราก็นั่งเฉยๆได้ถ้าเราไม่พุทโธเราคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องไปทำตามที่เราคิดคิดถึงขนมก็อยากจะไปหาขนมกินคิดถึงทีวีก็อยากจะไปเปิดทีวีดูแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเราก็จะไม่เราก็จะไม่ไมปอยากไปทาอะไร เราก็จะนั่งเฉยๆได้นั่งทำใจให้สนับได้ <ừ. S 1> มีคำถามอะไรอีกไหมที <รอ S 1> ม่ยังไม่เข้าใจวันนี้จะใส่ใจครับอย่างผมไปทำบุญมาแล้วมนเนมื่กี้เมีเพื่อนเดือนหน้าเขาบอกจะขอใบบุญหน่อยบุญเออนี่ยใส่ได้ไหมครับอ๋อไม่ได้หรอกไม่ได้บุญใครบุญเัิน แต่เขาจะได้บุญตรงที่ว่าเขาอนุโมทนากับเราเข า, า, เาดีใจด้วยยินดีด้วยกับการทําบุญของกรุงอย่างเงี้ยเขาก็ได้บุญแบบนั้นแต่แต่คนละบุ ญ, บญคนละอย่างก็เป็นความสุขใจเหมือนกันแทนที่จะเป็นความไม่สบายใจเพราะว่าที่ไปทําถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกเขาหลอกหรือเปล่ า, าถ้าเขามาพู่นี้เราก็จะทําให้สบายใจเขาก็จะไม่สบายใจแต่เราคิดว่าการทําบุญเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถึงแม้จะถูกหลอกทำ ก, ก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ ก็ <c oughs> คนก็เอาของของเราไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าไ ม, มีใครถามจะให้ทางบ้านก็ถามด้าง น, นะลองฟังดูลองคำถามทางบ้านเขน้ามั้งนะท่ทานอิงมีสองคำถามครับจากคุณจิทธะพัฒนสอนครับถ้านั่งข้ามเวทนานไม่ได้ไม่ผ่านก็ไม่สามารถเข้าสู่พระนิฐานได้ตรงนี้จริงไหมเจ้ า, าคระท้ออีฉันเข้าใจคือ สติปัฏฐานสี่ก็สามารถเข้าสู่นิพพานได้เช่นกันใช่ไหมครับคือสติปัฏฐานสีนี่เป็นวิธีเข้าขพระนิพพานแต่เวลาจะเข้าขพระนิพพานมันก็ต้องมีด่านที่เราจะต้องผ่านเหมือนกับทางด่วนเวลาเราจะขึ้นทางด่วนเราก็ต้องผ่านด่านก่อนเราต้องจ่ายเงินก่อนด่านที่เราจะต้องผ่านเพื่อไปนิพพานก็มีหลายด่านด้วยกันด่านแรกก็คือความเจ็บ ความตายสองสองตัวนี้เป็นด่านแรกเราจะต้องผ่านความเจ็บให้ได้ผ่านความตายให้ได้เราจะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายคือเจ็บเราก็อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนตายเราก็ตายได้โดยไม่เดือดร้อนอันนี้ก็องใช้สติปฐานนี่แหละปฏิปฐานจะสอนให้เราพิจารณาร่างกายของเราว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันเป็นรถยนต์เวลารถยนต์เส mmm um. well, no ียคนขับไม่ไ <énormément> ด้เ <Molly> ส <noises> ียเวลาร่างกายเจ็บคนขับไม่ได้เจ็บเข้าใจั้มเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแต่ที่เราเจ็บเพราะเราอยากไม่ให้ร่างกายมันเจ็บมันก็เลยทำให้เราเจ็บแต่ถ้าเราเฉยๆได้ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปเราจะไม่เจ็บได้วิธีที่จะไม่เจ็บก็คือเวลาเจ็บเราต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปยุ่งกับความเจ็บอย่าก็อยากให้ความเจ็บหายไป อยากหนีจากความเจ็บไปแล้วถ้าใจเราอยู่กับพุโทโธใจเราจะนิ่งจะเฉยแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บ<ม>เวลาจะตายก็แบบเดียวกันก็ปล่อยให้มันตายไปมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นรถยนต์คนขับก็พุโทโธพุโทโธไปทำใจให้นิ่งนิ่งเฉยเฉยแล้วคนขับก็จะไม่เจ็บไ ม, ไม่ไม่ตายนี่คือด่านต้องใช้สติสติก็คือพุโทโธพุโทโธไป เวลาเจอความเจ็บก็พุโทโธพุธโทโธไปเจอความตายก็พุโทโธพุธโทโธไปต่อไปมันก็จะผ่านด่านนี้ได้มันจะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายคือต้องต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทุกคนแต่เจ็บกับตายแบบไม่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับเจ็บแบบทุกข์ตายแบบทุกข์แต่พระพุทธเจ้าภาษาวกนี้ท่านท่านไม่เดือดร้อนกับความเจ็บกับความตายเพราะท่านสามารถแยกใจของท่านออกจากร่างกายได้ ท่านม่เอาใจไปเจ็บกับร่างกายเหมือนกับเราไปเจ็บกับคนอื่นเนี่ยบางทีคนที่เรารักเป็นอะไรไปเราก็ไปเจ็บกับเขาใช่ไหมทั้งที่เราไม่ได้เป็นแค่หน่อยแต่เราอยากให้เขาไม่เราอยากให้เขาหายเราก็เลยไปเจ็บกับเขาแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรทำยังไงก็เขาก็เขาก็ต้องเป็นของเขาไปตามเรื่องของเขาถ้าเขาจะหายเขาก็จะหายเองถ้าก็ไม่หายเขาก็ไม่หาย แต่ความอยากของเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่กลับจะทำให้เราเจ็บเจ็บไปกับเขาด้วยโดยใช่เหตุ mm hmm. ร่างกายกับใจก็เหมือนกันเป็นคนละคนกัน mm hmm. แต่เราไม่รู้ไงเราคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ความจริงเราเป็นใจเราเป็นคนขับรถเราไม่ได้เป็นรถแต่เวลารถเสียบางทีเราก็เสียไปกับรถหัวเสียไปกับรถอยากจะให้มันอยากจะให้มันไม่เสีย แต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นธรรมชาติของรถยนต์ใช้ไปแล้วมันก็ต้องเสียเสียก็ซ่อมไปซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ขายไปทิ้งไปร่างกายก็เหมือนกันร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ถ้ายังซ่อมได้ก็ซ่อมไปยังรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ามันจะตายก็ต้องให้มันตายไปแต่เราไม่ได้เป็นมันก็ไปเราอย่าไปทุกข์กับมัน เราอยากไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่เสียไม่ตายเท่นั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพฉนเราถึงตองตอ น, นั่งเวลาเรานั่งให้มันเจ็บนี่เรายึงต้องนั่งเฉยอย่าไปลุกให้มันทําใจให้นิ่งๆไว้ถ้ามันไม่นิ่งก็พยายามท่องพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วต่อไปใจมันจะนิ่งมันจะเฉยแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บแล้วมันจะรู้สึกว่าความเจ็บนี่ไม่เจ็บมากเลยที่เจ็บมากก็คือใจ เมือกัเวลาไปหาหมอหมอบอกเดี๋ยวจะฉีดยาให้เข้มนี่นยังไม่ทันฉีดเลยเจ็บขึ้นมาก่อนแล้วใชนะ่ไหมแต่พอฉีดจริงๆมันเห็นเจ็บเลยในชะ่ไหมเจ็บนิดเดียวใจเราเจ็บไปก่อนนะอันนี้เราแก้ได้ทําใจเฉยๆไว้หมอบอกจะฉีดยาแล้วก็พุดโทรศัพท์พุดโทกศัพมันก็จะไม่เจ็บพอหมอฉีดจริงๆมันก็ไม่เจ็บมันก็เหมือนกับถูกมดกัดนี่ขึ้นไปนิดเดียว น, นี่คือวิธีที่เราจะผ่านความเจ็บผ่านความตายได้ทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องตายแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจผู้มาครอบครองร่างกายนี้ใช้ร่างกายนี้ทําอะไรต่างๆเท่านั้นเองเห็นเราต้องรู้จักปล่อยวางร่างกายเราจึงต้องมาศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายเป็นอะไรเราก็จะรู้ว่าร่างกายมัน เป็นดินน้ําลมไฟเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกันอยู่มันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเราเพียงแต่มาเกาะมันไว้ส่งวิญญาณมารับรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี้เท่านั้นเองเวลาร่างกายเป็นอะไรเราอยู่อีกที่หนึ่งเราไม่โดนเช่นถ้าเกิดร่างกายโดนลูกระเบิดเราไม่โดนลูกระเบิดด้วยเราอยู่อีกที่หนึ่งก็อยู่ในโลกทิพย์เลยใจนี่อยู่ในโลกทิพย์ ร่างกายนี้อยู่ในโลกกระถาอยู่คนละโลกกันใจยังไม่มีวันตายไปกับร่างกายแต่ใจมันชอบร่างกายเพราะร่างกายนี้ตายก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะมีร่างกายแล้วได้ไปเที่ยวไงได้ไปทำอะไรต่างๆได้เวลาไม่มีแล้วมันรู้สึกมันทำไม่ได้แต่ความจริงมันทำได้แต่มันมันทำไม่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องมีร่างกายท่านก็เที่ยวได้ท่านก็เที่ยวในโลกทิปของท่าน ท่านก็เที่ยวในในนิพานท่านเที่ยวนเที่ยวกับความสงบความสงบนี่เป็นความสุขที่วิเศษที่สุดด้เรามาศึกษาวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันดีกว่าเพื่อเราชาติหน้ากับเราจะได้ไม่ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันอีกสำหรับชาตินี้เราก็จะใช้วิธี น, นั่งสมาธิสู้กับมันไป เวลาเจ็บเราก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาจะตายเราก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเราก็จะไม่เจ็บเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามต่อไปจากจากน้องวิลาศิรีนะครับอายุ13ปีนะฮะคือหนูชอบคิดอะไรที่ไม่ดีคิดลบหลูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะทั้งๆที่หนูไม่ได้อยากจะคิดอย่างนั้นค่ะบางทีก็คิดสัญญานน้นสัญญานี้หนูกลัวมากๆเลยค่ะ กลัว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาทําอะไรกับหนูหรือเปล่าครับทํายังไงให้หนูหายจากการเป็นแบบนี้สักทีครับหนูขอคำปรึกษาคะ่ะบเวลาหนูคิดก็หนูให้คิดพุทโธแทนเวลาหนูจะคิดจะลบหลู่ก็ให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วความคิดไม่ดีมันก็จะหยุดไปทุกครั้งที่มันจะคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธไปหรือจะสวดมนต์ไปก็ได้สวดอรหังสัมมาสวาขาโตสุปติปันโนไป พอเราสวดไปความคิดไม่ดีมันก็จะหยุดไปพอเราหยุดสวดถ้ามันยังคิดไม่ดีเราก็สวดต่อสวดไปทุกครั้งที่มันคิดไม่ดีต่อไปมันก็จะหยุดคิดเองคาถามทาง facebook l i ฟ e จากคุณเบนซ่าค่ะวันนี้พยายามท่องพุทโทโดยการ น, นับพุทโทหนึ่งพุทโทสองนับต่อเนื่องสูงสุดได้แปดร้อยแล้วก็ลืมนับใหม่ท่องต่อได้สามร้อยกว่า รอบนี้หลับเลยครับเพราะนับหลังอาหารขออุบายฝึกสติให้มันต่อเนื่องให้จิตมั่นแน่วแน่นิ่องอีกนิดครับถ้ามันง่วงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเวลาเดินจะก็นับต่อไปก็ได้พุโทโธหนึ่งพุโทโธสองไปเรื่อยๆ เ, เป็นอิริยาบถได้เสียงคับนั้นมันดังม้วเกิดมันทราบใครเปิดใครเปิดเ c e b o o k อยู่ในก้องตื่้ ช่วยเบาหน่อยเล้ไหมเบาเสียงห่อความคิดของเรานี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้เวลามันคิดไม่ดีเราก็ดึงมันมาคิดในเรื่องที่ดีได้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปก็ได้พุทธโทธธรรมโมสังโฆก็ได้พุทธังสรนังกัจฉามิธรรมสรนังกัจฉามิสังลังสรนังกัจฉามิก็ได้พอเราคิดเรื่องที่ดีใจเราก็จะเย็นจะสงบจะสบาย ทุกครั้งที่เราคิดไม่ดีก็ใช้วิธีนี้หยุดความคิดไปก่อนว<ะ>เวลาโกรธใครเกลียดใครก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอเราไม่ไปคิดถึงคนที่เราเกลียดคนที่เราโกรธเดี๋ยวความความเกลียดความโกรธมันก็หายไปหัดใช้พุโทโธกันหัดฝึกพุทโธกันถ้าเราไม่ฝึกเวลาจะใช้มันใช้ไม่ออกมันจะคิดแต่เรื่องที่ทาให้เราไม่อยากจะคิดอยู่นั่นนเราต้องหัดใช้พุโทโธ ฝึกพุทโธไปตั้งแต่เตือนขึ้นมาเลยเนี่ยพอเราลืมตาขึ้นมาเรายังไม่ต้องคิดเรื่องราวต่างๆก็คิดพุทโธไปก่อนคิดพุทโธไปอาบน้าอาบท่าไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปกินข้าวไปก็พุทโธไปจะหยุดคิดก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดกับการทํางานกับเรื่องราวต่างๆที่จําเป็นเราก็ค่อยคิดพอเราไม่จําเป็นจะต้องคิดเราก็พุทโธไปแล้วต่อไปเวลาเราคิดเรื่องไม่ดีเราก็ใช้การคิดพุทโธมาหยุดมันได้ แล้ใจของเราก็จะคิดแต่สิ่งที่ดีถ้าเวลาคิดดีเราก็ไม่ต้องหยุดกันปล่อยมันคิดเช่นวันนี้คิดอยากจะมาทำบุญก็ปล่อยมันคิดเลยคิดบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็ต้องออกเดินทางมาเองถ้าจะคิดไปกินเหล้าก็พุโทโธพุโทโธเลยเดี๋ยวเย็นนี้จะกินเหล้าก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไป <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็เื่อเรื่องกินเหล้าไป <c oughs> มีอีกไหมคำถามจากคุณพรวิทยาข้อที่หนึ่งค่ะมีวิธีในการกําจัดกิเลสทางกายและใจได้เช่นใดนอกจากพิจารณาให้เป็นไตลักษ์แล้วค่ะถ้าถ้าใช้ไตลักษ์ได้มันก็จะกําจัดได้หมดแล้วแต่ถ้ายังใช้ไตลักษ์ไม่ได้ก็ใช้พุโทโธไปก่อนใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก่อนอย่าไปทําตามความอยากอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเราก็ลืม สิ่งที่เราอยากไปแล้วความอยากมันก็จะระงับไปแต่มันจะระงับเพียงชั่วคราวพอเราไม่ได้พุโทโธเดี๋ยวมันก็คิดใหม่ได้ถ้าอยากจะระงับอย่างถาวรก็ต้องใช้ไตลักษ์ต้องมองเห็ น, หนว่าการทําตามความอยากนี่จะพาให้เราไปทุกข์กับสิ่งต่างๆจะทํ า, าทให้เราอยากไปเรื่อยๆ อ, อยากเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ แจะสิ่งที่เราอยากได้มามันก็จะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วเวลาได้มาเราก็ดีใจแล้เวเดี๋ยวเวลาเขาจากไปเราก็จะเสียใจให้คิดว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันสูงมีวันสิ้นสู้อยาไปอยากดีกว่าถ้าเราไม่ได้อะไรมาเราก็จะไม่มีอะไรเสียไปอันนี้ก็จะทำให้เราเลิกความอยากได้อย่างถาวร <c oughs> ขอวิธีในการพัฒนาความคิดไม่ดีให้ค่อยๆลดให้น้อยลงค่ะก็ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยการฟังธรรมนี้เป็นการสอนฝึกคิดในทางที่ดีเพราะธรรมะนี้เป็นของความเป็นความคิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะคิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์พอเราฟังบ่อยๆจิตเราก็จะคิดไปในแนวเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงทรงคิดพระพุทธเจ้าจะคิดด้วยเหตุด้วยผล ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ก็จะไม่ได้อย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นก็จะไม่ได้อย่างนั้น Italia. ต่อไปเราก็จะคิดเป็นเหตุเป็นผลไปคาถามจากคุณนกค่ะยิ่งแสวงหายิ่งไม่เจอหยุดแสวงหาแล้วจึงเจอขอพระอาจารย์ขยายความให้ลูกด้วยครับก็คือความสงบเนยความสงบนี้ถ้าเรายิ่งหามันยิ่งไม่เจอ พราความสงบนี้มันมันไม่ต้องหามันอยู่กับเราแล้วเหมือนการวิ่งตะคุบเงาอะวิ่งตะคุกเงาเท่าไหร่ก็ไม่ทันมันทักทีเงามันจะทอดไปอยู่ข้างหน้าเราเสมอใช่ไหมถ้าเราเห็นเงาสีแสดเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราอยากวิ่งไปจับมันเราจะจับมันได้ไหมแต่ถ้าเราหยุดปั๊บเราก็มันก็อยู่กับที่แล้วใจเราก็เหมือนกันถ้าเราแสวงหาใจเราก็ต้องคิดคิดมันก็ไม่สงบมันไม่สงบมันก็เลยไม่ได้ มันไม่ได้ความสุขที่เราต้องการแต่พอเราหยุดคิดปั๊บใจก็สงบเราก็จะได้ความสุขที่เราต้องการกันทุกคนพวกเราทุกคนที่เกิดมานี่เราหาอะไรกันทุกวันนี้ก็หาความสุขกันไม่ใช่หรือทำลายกันแทบเป็นแทบตายเพื่อให้เรามีความสุขกันแต่เราเจอมันก็ไม่เจอมันปั๊บเดียวแล้วมันเดียวมันก็หายไปเพราะมันเป็นความสุขปลอมนั่นเองความสุขที่แท้จริงนี่เราต้องหยุดหาต้องหยุดคิด หยุดการกระทําต่างๆทางกายทางวาจาและทางใจเช่ให้เร า, านั่งสมาธิกันเนยเวลานั่งสมาธิเรากําลังหยุดกายหยุดวาจาและหยุดใจหยุดการแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงคือความสงบคําถามจากคุณนันทนาค่ะในการใช้ชีวิตแต่ละวันทําไมใจเราถึงอยู่กับอารมณ์ดีใจแล้วก็เสียใจ เดี๋ยวรักคนนี้เดี๋ยวชอบคนนั้นเดี๋ยวก็โกรธอีกแล้วคะ่ะเพราะใจเราก็พลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีอารมณ์หลากหลายด้วยกันอารมณ์รักก็มีอารมณ์ชังก็มี ใ, ใจเรามันยังเป็นใจที่มีกิเลสเนี่ยเราต้องมาฝึกใจให้ใจปรสศจากความรักชังกลัวหลงวิธีที่จะทำให้มันไม่รักชังกลัวหลงก็คือต้องทำให้มันสงบนี่แหละ เวลาใจสงบแล้วความรักชังกลัวหลงก็จะหายไปจะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถคอยควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงได้เวลารักขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเวลาชังก็พุทโธพุทโธไปพอเราพุทโธพุทโธความรักก็จะหายไปความชังก็จะหายไปคําถามจากคู่ไม่ประสงค์ออกน้ำค่ะ การไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงคือแค่ไม่ละเมิดศี่ห้าหรือรวมถึงไม่ละเมิดอกุศลกรรมบดสิทธิ์ด้วยคะเพราะเท่าที่เข้าใจแค่ไม่ละเมิดศี่ห้าก็จะเป็นมนุษย์แล้วใช่แต่ถ้าจะให้ทั้งปวงก็ต้องละอกุศลทั้งหมดเนี่ยอกุศลทางกายทางวาจาและทางใจทางกายก็คือการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัเวณีทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคํำยาว ไม่พูดเพอเจ้อไม่พูดส Sa ่อเสียดส่อเสียดนี่ไม่ใช่เสียดสีนะส่อเสียดก็คือพูดยุยงให้เกิดตมเกิดความแตกแยกสามัคคีกันแล้วก็อกุศลทางใจก็คือความโลภโกรธหลงต้องหยุดทั้งสามตัวนี้ใจถึงจะสะอาดบริสุทธิ์ใจจะได้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงคำถามจากคุณโซนะคะ่ะ เจ้ากรรมในเวรมีจริงไหมให้คนให้โทษกับชีวิตคนเราได้จริงไหมครับเจ้ากรรมในเวรก็คือศัตรูของเราเนคนที่เขาเกลียดเราคนที่เขามีเรื่องกับเราคู่กรณีของเราเนี่ยคือเจ้ากรรมในเวรเราเวลาเราทะเลาะกับใครคนนั้นแหละก็ เ, เป็นเจ้ากรรมในเวรเราแล้วเพราะเขาเกลียดเราเราก็เกลียดเขาต่างคนต่างเกลียดกันวิธีที่จะแก้ก็ให้แผ่เมตตาเวลาเขาทะเลาะทะเลาะกันเสร็จก็ซื้อขนมมาให้เขากิน พ่อพี่เสียใจขอโทษนะเมื่อกี้เมื่อกี้สติแตกเด็กแตกหมดแล้วไหยังค่ ะ, ะคำถามจากคุณรองประหยัดค่ะนั่งภาวนาพุทโธแล้วปวดขามากจนเกาะพุทโธไว้ไม่ได้จะแก้อย่างไรครับก็ <c oughs> นั่งไปโดยที่ไม่นั่งเกาะก็ได้นั่งต่อไปยอมตาย ยอมตายยอมเจ็บถ้ายอมเจ็บยอมตายได้มันก็อยู่อยู่ต่อไปได้อย่าไปรังเกียจความเจ็บที่เราที่เรานั่งไม่ได้เพราะเรารังเกียจมันเราไม่ชอบมันเราก็ต้องลองพลิกใจเราให้ไปชอบมันดูเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้เหมือนคนที่ไม่กินคนไม่ชอบกินพริกนี่พอกินพริกเม็ดเดียวก็ทรมานนแต่คนที่ชอบกินพริกนี่กินสิบเม็ดก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเราหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบ ถ้าเราพูดโทไม่ไหวก็หันชอบมันเลยพ <c oughs> <c oughs> อชอบก็จะอยู่กับมันได้เปลี่ยนใจเราพลิกใจเราคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคนที่รู้จักได้เสียชีวิตไปวันนี้ได้นั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญไปให้คนที่เสียชีวิตจากนั้นได้กลิ่นฝาดสารอยากถามพระอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้กลิ่นคะ อาจจะมีแมงแมงสาบตายอยู่หรือเปล่าคือบางทีกินมันมีอยู่นานแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ไปสนใจมันเพราะเราไปแผ่บุญหน่อยเข้ามาเลยเลยคิดไปใหญ่เลยคำถามจากคุณอธิชิตค่ะมนุษย์เมื่อลาจากโลกนี้ควรกำหนดจิตอย่างไรกำหนดไว้ตรงไหนคะก็ กำหนดที่พุทโธน่ะถ้าเราไม่รู้จะกาหนดอย่างไรก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราจะตายก็พุทโธพุทโธทำใจให้สงบไปคำถามจากคุณกมลทัศน์ค่ะโยมทำบุญให้บิดามารดาและครอบครัวโยมใส่ชื่อทุกคนและนึกถึงทุกคนโยมอยากทราบว่าทุกคนจะได้บุญเช่นเดียวกับโยมด้วยไหมเจ้าคะ คือถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นี่เราก็อุทิศบุญนี้ไปให้เขาไม่ได้เขาต้องทำเองบุญใครบุญมันแต่ถ้างินที่เราไปใช้นี่เป็นเงินของเขาเราเขาก็จะได้บุญด้วยแต่เขาต้องรู้ก่อนเขาต้องอนุ ญ, ญาตเขาต้องสั่งเราต้องบอกเราว่าเอาเงินนี้ไปทำบุญให้เราหน่อยนะอย่างนี้เขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเราทำโดยที่เขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บอกเรานี่เขายังไม่ได้บุญ เราก็ต้องไปบอกเขาว่าเราเอาไปทําบุญแล้วก็อยู่ที่เขาว่าจะเออ อ, อหอมหอกด้วย Mur ป่าถ้าก็เอออหอบบอกทําแล้วก็ทําไปอย่าง้เขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเขาเสียดายเขายังไม่คิดจะทําเขาก็จะไม่ได้แล้วเขาอาจจะได้บาปเขาจะได้ความโกรธขึ้นมาอยั้นถ้าเปนถ้าเป็นเงินของเราเราทําเราเราจะได้ของเราคนเดียวถ้าเป็นเงินของคนอื่นก่อนที่เราจะไปทำํำเราก็ควรจะถามเขาก่อนว่าจ ะ, จะทํำไหม เราไม่ควรที่จะเอาเงินของผู้อื่นไปทําบุญให้เขาเพราะมันก็เป็นเหมือนกับการขามโมยเงินเขานะเช้วแว่นบอกมาว่า yes yes ครับคำถามจากคุณพรชนกค่ะการท่องพุทโธต้องท่องเร็วหรือช้าตามลมหายใจหรือเปล่าคะคือเอาทีละอย่างเอาแค่นี้ก่อนคือการท่องพุทโธในความจริงไม่ต้องใช้นมเลยใช้พุทโธอย่างเดียวจะสบายกว่า เราสามารถที่จะท่องได้ตามจังหวะที่เราต้องการชาร้ชาช้าก็ได้เร็วก็ได้แต่ถ้าเราไปผูกไว้กับลมเราก็ต้องไปตามจังหวะของลมที่บางคนเขาเห็นว่าถ้าทำสองอย่างมันทำให้ใจมันแน่นขึ้นคือไม่มันไม่หลุดง่ายเขาก็เลยพุทธเข้าโทรออกไปอันนี้ก็ได้แต่ถ้าใช้พุทธเข้าโทรออกก็ต้องไปตามจังหวะของลมจะไปเร็วกว่านั้นไม่ได้ถ้าเราต้องการบริกรรมเร็วเราก็ต้องทิ้งลมไป เราเอาคําบริกรรมอย่างเดียวเพราะเวลาบางทีพูดเข้าโทรออกนิจใจมันยังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เช่นเวลาเราเจ็บมันจะไปคิดถึงความเจ็บนีเราก็ทิ้งลมไปเลยแล้วเราก็บริกรรมให้มันถี่ให้มันเร็วขึ้นเพื่ใจจะได้ไม่ไปคิดถึงความเจ็บได้ได้ก็เป็นคำถา ม, ถา ม, ถามคือคนม่าคิดว่าคนที่ี คือปัญญาก็คือความรู้เนี่ยแต่ความรู้มันมีสองระดับระดับโลกกับระดับธรรมระดับโลกนี้เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์คือต่อให้เรียนจบปริญญาเอกก็ยังต้องทุกข์อยู่เพราะไม่ได้เรียนเรื่องปัญญาทางธรรมความรู้ทางธรรมแต่ถ้ามาเรียนความรู้ทางธรรมนี้ถึงแม้จะไม่ได้เรียนหนังสือทางโลกเลยแต่จะมีมีปัญญามีความรู้ที่ดีกว่า ความรู้ทางโลกเพราะผู้ที่มีความรู้ทางธรรมนี่สามารถทําให้ตนนี้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ดันั้นเราจึงไม่สามารถไปประมาทคนที่ก็ไม่มีการศึกษาได้ว่าเขาไม่มีปัญญา<ม><ม>กูบาอาจารย์บางรูปนี้ท่านอ่านหนังสือไม่ออกก็มีเวลาเวลาจะบวชนี่ท่านต้องต้องท่องอ่านหนังสือไม่ออกก็อาศัยคนอื่นบอกให้ท่องท่องแล้วก็ไปบวช<ม>เพราะท่านไม่มีโอกาสตอนที่ เป็นเด็กไม่มีโอกาสต้องไปเรียนหนังสือเพราะต้องทาํานาหากินทำไร้ไถนาอะไรไปแต่พอมีศรัทธาอยากจะบวชก็เลยต้องอาศัยการท่องจำํำสมัยพุทธกาลนี้ก็ไม่มีการเรียนหนังสือกันก็มีการฟังพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราก็ฟังเหมือนที่เราฟังกันตอนเนี้ฟังไปแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็อาศัยฟังไปเรื่อยๆฟังไปบ่อยๆแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่เราจําได้เราก็าไปปฏิบัติ เช่นวันนี้เราจําได้เรื่องพุโทโธพุโทโธเนี่ยเวลาเราโกรธเราลองไปพุโทโธพุโทโธดูแล้วดูซิว่ามันหายไหมอพอหายเราก็จะรู้ว่าโอนี่มีเป็นวิธีที่จะทําให้เราไม่โกรธได้วิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับความโกรธได้อันนี้มันมีประโยชน์กว่ากว่าไปเรียนจบปริญญามาเวลาโกรธทําใจไม่เป็นหยุดความโกรธไม่ได้อันนี้ก็คือเรื่องของความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรม ความรู้ทางธรรมนี่ก็มีสรุปได้มีอยู่เจ็ดหัวข้อใหญ่คือรู้เหตุรู้ผลสองข้อรู้เหตุหนึ่งรู้ผลสามรู้ตนสี่รู้บุคคลห้ารู้สังคมหกรู้กาลเทศะเจ็ดรู้ประมาณเนี่ยถ้าเรารู้เจ็ดอย่างนี้เราจะสามารถพาชีวิตของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่วันนี้ก็สอนให้รู้เหตุรู้ผล รืว่าเรื่องเงินทองจะใชอยังไงหาอย่างไรก็เป็นเรื่องรู้เหตุการจะมีเงินได้ก็ต้องไปทำงานการจะเก็บเงินได้ก็ต้องรู้จักประหยัดนี่ก็เป็นเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลรู้ตนก็คือให้เรารู้ฐานะของเราคนเราทุกคนมีฐานะไม่เหมือนกันสถานภาพไม่เหมือนกันเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นคารวยา แต่ะฐานะแต่แต่ละสถานภาพนี้จะต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองถ้าไปปฏิบัติตนเองไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตนก็จะกลายเป็นคนเพียนไปเป็นคนที่สังคมก็รังเกียจได้จะอยู่กับสังคมไม่ได้รู้บุคคลก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้จักคนที่เรารู้จักคบค้าสมาคมเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาก็มีสถานภาพต่างกันไป เราก็ต้องรู้ว่าเขามีมคนที่สูงกว่าเรามีคนที่เท่าเรามีคนที่ต่ำกว่าเราวิธีจะปฏิบัติกับเขาก็ต้องให้เหมาะสมกับสถานภาพของเขาคนที่สูงกว่าเราเราก็ต้องเคารพนับถืออ่อนน้อมคนที่เท่าเราเราก็มีความสนิทสนมกันแบบเป็นเพื่อนได้คนที่ต่ำกว่าเราเราก็ต้องมีความเมตตาสงสารช่วยเหลือเขาดูแลกันไปอันนี้เรียกว่ารู้รู้บุคคล รู้สังคมก็ให้รู้จักกฎระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสังคมที่เราอยู่ในแต่ละสังคมเขาก็จะมีกฎมีระเบียบที่ทํางานเขาก็มีกฎมีระเบียบถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดี๋ยวเขาก็จะไล่เราออกจากสังคมนั้นไปเพราะเราจะไปทําความเสียหายให้กับสังคมนั้นได้ครอบครัวก็มีสังคมก็เป็นสังคมอย่างหนึ่งที่ทํางานก็เป็นสังคมโรงเรียนก็เป็นสังคมประเทศชาติก็เป็นสังคม เราก็ต้องรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมแต่ละสังคมที่เราอยู่ด้วยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบถ้าไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะต้องถูกเขากัำจับเราเช่เราทําผิดกฎหมายเขาต้องจับเราไปขังคุกขังตารางบ่อยให้เราอยู่ในสังคมไม่ได้มีค <c oughs> ือรู้เรื่องรู้สังคมรู้กาลเทศะก็ให้รู้เวลาสถานที่ที่เราไปว่าควรจะทําตัวอย่างไร ไปงานศพก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแบบหนึ่งทำทำหน้าทางตาอย่างหนึ่งไปงานแต่งงานก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอีกอย่าง <l ots> ไปเที่ยวก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกิริยาการต่างๆมันต่างกันแล้วเวลาที่เราอยู่ในสถานที่นั้นเขากำลังทําอะไรอยู่เราก็ต้องต้องไม่ไปรบกวนสถานที่นั้นเขาเช่นตอนนี้เรากําลังฟังธรรมอยู่เดี๋ยวเกิดใครเดินก็มาเอาเหล้ามาตั้งกินตรงนี้มันก็ไม่รู้จักกาลเทศะก็จะถูกเขาอ เกี่ยไปนี่คือรู้จักกาลเทศะข้อสุดท้ายก็ให้รู้จักประมาณคือความพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเป็นเหมือนกับรองเท้าเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้าเราก็ต้องหารองเท้าที่พอดีกับเท้าเร า, ถ, าถ้าใหญ่เกินไปมันก็หลวมถ้าเล็กเกินไปมันก็คับใส่แล้วก็เจ็บเท้าต้องหารองเท้าที่พอดี ความพอดีนี้ท่านหมายถึงเรื่องปัจจัยสี่การใช้สอยเรื่องปัจจัยสี่ก็ต้องมีความพอดีอาหารมากเกินไปก็เป็นโทษน้อยเกินไปก็เป็นโทษต้องมีความพอดีเสื้อผ้าก็เหมือนกันมากเกินไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเสียเงินเสียทองไปเปล่าเปล่า น, น้อยเกินไปก็ไม่ดีขาดแคลนไม่พอใช้ดน้ทุกอย่างต้องพอดีก็ต้องรู้จักประมาณ ถ้าเรารู้จักประมาณแล้วชีวิตของเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนมากถ้าเราไม่รู้จักประมาณเราก็จะซื้อเสื้อผ้ามากเกินไปซื้ออะไรมากเกินไปก็ทําให้เราต้องเด็ดเหน็ดกับการต้องไปหาเงินหาทางมาซื้อข้าวของต่างๆเหล่านี้นี่เกิดเรื่องของปัญญาทางธรรมเนี่ยในสมัยก่อนคนที่เขาบวชเนี่ยเขาได้เรียนบวชสามเดือนเขาถือว่าเป็นบัณฑิตละเพราะเวลามาบวชเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ต่างๆ แล้วเขาก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้กับชีวิตของเขาให้อยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขได้ความน่มเย็นเป็นสุขนี่ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องมีเงินมากเงินน้อยแต่รู้จักวิธีอยู่กับกับสิ่งต่างๆที่เราที่เกี่ยวข้องด้วยได้อย่างไม่มีปัญหา <c oughs> นี่เกิดความรู้ทางธรรมสมัยก่อนก็ถึงนิยมบวชกันเมื่อก่อนก็ไม่มีโรงเรียนมาก เขาก็เลยอาศัยเรียนด้วยการบวชกันพอเรียนจบเขาเรียกบัณฑิตแล้วคำว่าทิศก็มาจากคำว่าบัณฑิตคำย่อคำว่าบัณฑิตบัณฑิตในความจริงมันเขียนเป็นถ้าเขียนเป็นภาษาไทยมันก็เป็นบัณฑิตไปแล้วก็เลยอ่านสั้นๆว่าทิศก็นี่คือเรื่องของความรู้งั้นเรายังยืนยันว่ามาเรียนแค่เจ็ดข้อนี้ก็พอ เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้ดีก็เรียนจบปริญญาเอกแต่ไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักเหตุไม่รู้จกักผลไม่รู้จกักตนไม่รู้จกักบุคคลไม่รู้จกักกาลเทศะไม่รู้จากกาัจกประมาณอยู่ไปชีวิตก็จะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เรื่องราวต่างๆมากมาย <c oughs> อันนี้คิดว่าพอแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรยังไอ่ะ มีสข้อค่ะคือข้อแรกตอนนี้กำลัาดูแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีปัญหามากคือที่บ้านคนอยู่เยอะแล้วมันทําให้เราทำฝุกจิตไม่ได้เลยเนี่แต่แทนไม่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้านี้ก็จะไปอยู่ที่อื่นแบบไปจิตเรือยๆอย่างนะค่ะก็ควรจะไปใช่ไหะถ้าเกิดเราอยู so ่ที่ไหนแล้วมันมันไม่สำเก็อยู่ที่ว่าไปได้หรืไม่ได้ด้วยถ้าไปได้ก็ไปไได้ปถ้าไปไม่ได้ก็ปฏิบัติที่นั่นแหะแต่ปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งคือปฏิบัติแบบ ทำใจให้อยู่กับเหตุการณ์ที่เรายังต้องอยู่คือหยุดความอยากไปความอยากไปนี่มันก็ทําให้เราเครียดได้เราก็ต้องอยู่ตัวนี้ก่อนก็ต้องอยู่กับที่เราไปก่อนคิดว่ายังยังยังติดอยู่ยังมีวิบากอยู่ก็ใช้วิบากเราก็จะไม่ทุกกับการอยู่ที่นั่นอีกข้อนึงถ้าสมมติว่าเราเป็นไปปฏิบัติเนี่ย มันจะมีหลักสูตว่าเราจําเป็นต้องเรียนอภิธรรมไหมคะในความเป็นจริงถ้าเราไปไปถือศีลไปอะไรอย่างเงี้ยก็เราตั้งแต่พูดตอนนี้ไม่เคยพูดเรื่องอภิธรรมเลยเพราะว่า <c oughs> บางบางที่กำหนดว่าถ้าเราไปเท่าอย่างที่สโมโนงเนี้ยคะ่ะธรรมะมาตาคะ่ะผู้หญิงต้องต้องเรียนอภิธรรมด้วยซึ่งใจไม่ชอบแค่แต่เรียนแท่ทานศีลภาวนาก็พอ <c oughs> <c oughs> ไห้รู้จักว่าทำทานทำอย่างไรรักษาศีลรักษาอย่างไรภาวนาวภาวน า, ว า, วนาวอย่างไรท่านี้พอแนละสู่ตายตัวพบจ้จะเอาทรงแสดงไวอ้อภิธรรมนี้มันเป็นความรู้พิเศษความรู้สำหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ดีมีความเข้า อ, อกเข้าใจได้ง่า ย, ยานี้ก็ไปเรียนได้แต่มันก็